ที่ยอดมนุษย์เริ่มเดินทางไกลตัวน่าเกลียดอะไรดันทะลึ่งโผล่เข้ามาในหัวกันล้วเนี่ยแต่ฉันก็ไม่โทษตัวเองเพราะอย่างน้อยก็ไหวพอจะจับได้ไล่ทันเจ้าตัวน่าเกลียดนั้นโยนทิ้งจากทางโดยไม่ขยับเปลี่ยนจากอิริยาบดนอนให้เสียเวลาฉันลากลมหายใจเข้าสบายๆพบว่าในท่านอนเนี่ย